Book 2 4สี่สิสาที่สวนสัตว์ไปดีดีเรตินสวนสัตว์อยู่ที่นั่นดอร์อสดีดีรตินยีราฟอยู่ตรงนั้น ด a a r is die k a m ม e l p ปียมีอยู่ที่ไหนว a ร์อีสตีเ e ียรช้างอยู่ที่ไหนวาร์อีสตีอูริฟันเงูอยู่ที่ไหน die slange? สิงงูอยู่ที่ไหน Waar is die l e ิว ดิฉันมีกล้องถ่ายรูปดิฉันมีกล้องถ่ายวิดีโอด้วยดิฉันจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไหน Where นกเพนกวินอยู่ที่ไหน Where จิงโจ้ อ, อยู่ที่ไหน is แรดอยู่ที่ไหน is ห้องน้ำอยู่ที่ไหน is มีร้านกาแฟอยู่ตรงนั้น มีร้านอาหารอยู่ตรงนั้นอูดอยู่ที่ไหนกลีลาและม้าลายอยู่ที่ไหนเสือและจระเข้อยู่ที่ไหน Waar is die tiere en die krokodille?